เคยพูดมาแล้วทุกคนก็เมื่อถามดูว่ารักตัวไหมเราใครๆก็บอกว่ารักตัวทั้งนั้นเลยนี่ถ้ารักตัวจริงมันก็ต้องศึกษาให้รู้สิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็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 ต้องการอย่างนี้ไหม mm hmm. เมื่อต้องการอย่างนี้แล้วแต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นนะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ mm hmm. ดังนั้นเราจึงได้หันหน้า mm hmm. เข้ามาสู่ศาสานานี้เราเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย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 ออกจากกายวาจาใจหมู่นี่มันก็ร่วนแต่มุง่งความสุขเป็นผลทั้งนั้น อ, อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความสุขในโลกนี้นะ่ะมันมีสิ่งขัดขวางมันไม่เป็นสุขอยู่โดยลำพังได้คือมันมีทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องขัดขวาง ทำให้ความสุขยั่งยืนนานไปไม่ได้ดังนั้นนะพระพุเทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังคำสอนของพระพุเทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู่นมาพระพุเทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง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 บางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง <c oughs> การดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี่นะแต่ว่าความผิดหวังจริงๆนะี่ก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากชร า, าชํำรุดทุดโทมไอ้ร่างกายนี่เนี่ยก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนนะ แล้วเขาไม่อยากตายสุดท้ายนะแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องหวดนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถ้าผูใ้ใดมาถือมั่นอยู่อย่างว่านั่นนะ่ะคือว่าเกิดมาแล้วไ ม, ไม่อยากให้แก่เจ็บตายไปอย่างนี้นะมันเป็นความถือมั่นในขันห้านี่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์ใหญ่มันเป็นงนั้น อันความทุกเหล่านี้มันก็มาจากเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกนี่มันก็ไม่มีความเกิดนี่แหละมันเป็นเหตุอืถ้ามันไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ไม่มีการสังคมสมาคมกับคนดีบ้างคนชั่วบ้าง โมนี่นะมันก็ไม่ได้พบอไม่ได้พบความเสื่อมความเจริญอะไรเมื่อไม่มีชาติความเกิดแคอย่างเดียวเท่านี้นะไม่ได้ทำให้มันเกิดมามันมีเหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดขึ้นเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้คนทั้งหลายนั้นไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอก มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคําสอนพุทธเจ้ามันก็ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องความเกิดมาเป็นคนนี่นะอพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาเถือว่าเขาเกิดมาจากปากเท้ามหาพรหมอออืพวกกษัตริย์พวกคนนี้เกิดจาก หน้าอกเท้าห ม, หมาพม่วงเกิดจากเท้าของเท้าห ม, หมาพม่วงพวกกรรมกรคนงา น, น, นต่างๆพวกนี้ <c oughs> เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาล <c oughs> อย่างนี้แหละมันจึงได้มีการบวงสวงกัน จาวความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วศูนย์บางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าการเกิดนั้นมันอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดก็มีบางไอ้พวกก็เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทัวทำน้ำให้เกิดอีกความเห็นแบบนี้นั่น ได้แก่ความเห็นในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าค น, คนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นของคนในโลกเนี่ยมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่เคียงแค่แน่นอนอะไรเลย อย่างนั้นมันขัดแย่งกันอยู่ยงั้นแต่แล้วสำหรับเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็องค์ก็ทรงบำเพ็ญไปตอนบัถมมยามก็ทรงได้ตัดสุขปุกเพนิวาสานุสติยานแล้วลึกชาติหนนหลังได้แล้ลึกชาติหนนหลังของพระ อ, องค์เองนั่นเอง พระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวันลนะมีสุขภาพลักษะอย่างไรบ้างนี่ก็ทรงรู้ไปรู้ไปหลายชาติคืนหลังไปน่นตอนเที่ยงคืนก็จัดสรู้รู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทําเอาไว้ แต่ในชาติก่อนหอนหลังโดนผิดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมพอะไรไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาโดนบันดาลให้ค้นเกิดมาไม่มีเพราะไ ม, ไม่ไม่ได้ผ่านในพ ย, ยานของพระ อ, องค์เรื่องนั้น่ะอพยานของพระ อ, องค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ นันนะมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทากรรมอันใดดีก็ดีชั่วก็ดีก็จกได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรอง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 เมื่อเรามีความเห็นตามคําสอนพระพุทธเจ้าว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล่ะก็พยายามละกรรมมันชั่วซะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษก็พยายามเว้นไม่ไม่ล่วงเกินนะทรงแสดงว่าทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอํานวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไป ตราบเท้าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองน่ะจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั่นมันไม่จะส่งลงนรกมไม่เด็กส่งไปสวรรค์นิพพานอะไรนี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันเจีมแจ้งด้วยตนเอง เห็นอย่างนี้คือว่าตรงตามคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าบดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบา ร, รมีมาอืดังนั้นท่านจึงเพียรละความชั่วออกไปเรื่อยๆเพียรทําความดีเรื่อยไปบุญกุศลบา ร, รมีของท่านก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆโดยลําดับมา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 แต่เพราะอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ามากก็ต้องได้ฝึกจนออกเรียวแรงพองสมควรกลัวอินทรีย์มันจะแก่กล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลแต่ครั้งพระพุทธเจ้านะเมื่อไปตั้งฟาร์มเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทร์บา ร, รมีเขายัางไม่แกกล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนมานี้เขาผู้มีบา ร, รมีติดตัวมาเข้ก็พยายามบำเพ็ญอินทรีไปบำเพ็ญบา ร, รมีไปคือว่าพยายามภาวนาอบอรมจิตใจ ให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรกลพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนไปก็ทำให้อินทรีแ ก, กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีแ ก, กล้าแล้วก็ไปต้องขายพยานของพระ อ, องค์เมื่อนั้นแหละพระ อ, องค์จึงได้เสด็จไปสู่สำนักของนายโคบาล น, นั้นไปก็ไปพักอยู่ ลุงเช้านายโคบานก็ถวายพระตาหารเดชพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่ตามเสด็จเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้นายโคบานฟังจบลงนายโคบาลก็ได้บรรลุโสดาปติผลในปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับ นายโคบาลก็ตามส่งพระองค์มาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ทูลลาพระองค์กลับไปที่อยู่ของตนในขณะที่กลับไปไม่ไกลนักถูกว่าไม่รู้อ่อนตัวหนึ่งชนเอาล้มลงถึงแก่กรมไปพระสงฆ์บางองค์บางลกูกไม่รู้ เรื่องดีก็ยังกล่าวตู่พระองค์เพราะพระองค์เสด็จมานี่แหละนายโคบาลจึงได้ถึงซึ่งความตายออืืพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน น, ะนั่นแหละทั้งพี่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นนะก็ยังไปกล่าวตู่พระองค์ได้อยู่ พระองค์ยังตัดว่าดูก่อนที่ตุถึงเราจะถาคตจะมาหรือไม่มาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทํากรรมมันใดไว้ก็จงต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนั่นแสดงว่านายโคบานนั่นเป็นผู้มีกรรมมีเวนมาแต่ก่อนกรรมเวนนั่นตามมาสนองเอา นี่แหละคนเราทําทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้อ่ะที่ให้ฟังส่วนบุญมันก็ปูนไปบุญให้ผลก็ได้สำเร็จโสดาปฏิผลเป็นอริยะบุคคลในพุทธศาสนานี่มาถึงวาระา บ, บาปที่ตนทามามาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้ล้มให้ตายไปปัจจุบันทันด่วน แต่เขาตายใ น, นมันจะตายแบบไหนก็ช่างถ้าเมื่อเขาได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วเขาไม่ได้ไปสู่นรกอบยัยภูมิเ้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นสำหรับพระโสดาบันแล้วชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นส่วนมากเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเรานะ่ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วพลเปกันมา มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้าผู้ใดคิดว่าตนนั่นะไม่ต้องการเลยแบบนี้ชีวิตแบบนี้ก็พยายามเว้นจากกรรมมันชั่วให้หมดไปเสียอย่าไปคิดเบียดเวียนใครอย่าไปทำทุกข์ให้แกใครมีตั้งแต่ทำความเดียวเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลแกบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไป เช่นนีผู้นั้นก็จะไม่มีกรรมมีเวรอันชั่วร้ายติดตามไปจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูมาจองร้างจองผานเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของคนเรานี่นะ เ, นเราก็สันนิษฐานดูก็ได้ บางท่านบางคนเกิดมาแล้วเพื่อนก็มีอายุวันนะสุขภัณรละปฏิพานธนสารสมบัติมีสมบัติมากๆ ม, มาก็ไม่มีใครมายือ้อมาแย่งเอามาจี้มาปล้นเอาอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนผู้เช่นนั้นน่ะมีสมบัติมากมาแล้วเพื่อนไม่สนีเพื่อนแบ่งสั น, นส่วนจำนแนกแจกทานไป จนชื่อเสียงโด่งดังปรากฏไปทั่วคนทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงอันดีงามแล้วแม้เขาเป็นโจรเป็นขโมยเขาก็ยกเว้นเลยเขาก็ไม่บรบกวนด้วยอำนาจบุญวัิสนาบา ร, รมีของท่านผู้นั้นถ้าใครเมื่อรวยมาแล้วก็เป็นคนตนีทีหนียวสมควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินทองอ น, นั้น บริจาคทานไปเพื่อประโยชน์แกทวนรวมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ ห, หัวงแหนไว้ถ้าจะบริจาคไปก็กลัวมันจะหมดกลัวมันจะไม่ได้อวดอ้างคนอื่นว่าตนเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้พวกโจรพวกขโมยมังก็อิจฉาเนี่ย เอ้เจ้านี่มันห่วงเห็นเหลือเกินนะอืมันไม่มันเป็นคนใจแคบแคบไม่มีเอือ้อเฟือฟ้อเพลเพอพวกเราต้องวางแผนร้นเอาซะเลยก็อย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องนะเพราะนั้นจึงปรากฏว่าคนรวยๆเนี่ยมักจะถูกปร้นร้นแล้วยังไม่พอมันยังถูกฆ่าตายไปอีกเยอะแยะ นี่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราทําทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาแต่ในอดีตเนี่ยเกิดมาชาตินี้มันก็ให้ผลทั้งสองอย่างเลยส่วนใดที่มีกําลังมากกลัวส่วนนั้นก็ให้ผลก่อนส่วนใดมีมีกําลังน้อยกลัวขอให้ผลทีหลังอเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นอย่างนี้ นักปลาพวกมีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อในในคำชั่วทั้งหลายนั่นแหละมองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงไม่ทํากรรมชั่วต่อไปจึงไม่อิจฉาเบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนั้นแล้วแถมมาเพ่งพิจารณาดูสังขารร่างกายอันนี้เข้าไปอีก ก็ยังเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขทนเลยยากลําบากนานาประการทั้งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเบื่อหน่าย ก, ก็ย่อมรู้ชัดกว่าดวงจิจเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้เป็นทุกข์ คนได้ยากอยู่อย่างนี้เนี่ยพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเห็นแจ้งอย่างเนี้ยจึงได้เบื่อหน่ายต่อสภาพร่างกายอันนี้คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อท่านละความยึดมัน่นถือมันนี้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วแต่บุญเก่าที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนยังไม่หมดก็ท่านก็ต้องอาศัยไปอืม ดวงกิจนี้แหละก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี้ไปสงเคราะห์โลกไปแบบนี้นะออสงเคราะห์คนอื่นไปเช่นพระอาราหันต์ทั้งหลายอา้าท่านบินธบาตไปใครใส่บาตแก่พระอาราหารันต์เช่นนั้นก็มีอา น, นิสงส์มากในบุญหลายเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปาประธรรมทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ดังนั้นผู้ใดได้ให้ทานแก่พระอระหันต์จึงมีผลมากเอา้าพระอระหรันต์ก็ยังมีหลายประเภทเข้าไปอีกออพระอระหันต์ที่ท่านสําเร็จได้ด้วยสมถะวิปัสนาอย่างนี้นี่ท่านก็มีฤทธิ์มีเดชท่านก็มีฤทธิ์มีเดชเข้าฮินเดินอากาศได้ เข้าฌานอยู่ได้เจ็ดวันสิบห้าวันเมื่อท่านออกจากฌานมาแล้วพิจารณาเห็นใครมีวาสนาเพราะที่จะสงเพอให้ได้ผลในปัจจุบันท่านก็ไปหาผู้นั้นผู้นั้นเห็นเข้ากับเลื่อมใสแล้วก็ใสบาทให้ท่านผลแห่งการใสบาทในวันนั้นของผู้นั้นก็จะต้องปรากฏผลในปัจจุบันนั้นทันที เหมือนอย่างอันสองภมียากับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใช้ของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั่นแหละได้ใส่บาตรให้พระสารีบุตรเถระเจ้าที่ท่านออกจากสมาบัตรมาในวันนั้นขี้ไถที่ไถนานั้นของเศรษฐีนั้นก็เกิดเป็นทองคําทั้งแท่งเลยนาไร่ที่เขาไถวันนั้นเขาก็เลยได้เป็นเศรษฐีขึ้นในชาตินั้นเลย นี่แหละการทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเนี่ยมันมีผลมากจริงๆรังมา น, นี่ผู้ที่มีอินทร์บา ร, รมีแก่กล้ามีปัญญามาแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไปละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปด้วยสมถาวิปัฒนา เช่นนี้แล้วกก็นบว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก่อนบว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้าก็มีสิทที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในเมื่ออินทรียบารมีมันแก่รอบเมื่อได้ ก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ท้อ ง, องการบุญกุศลต่อไปอย่างนี้แหละไอ้คุณธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมันถูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมานี่นะเพราะฉะนั้นทุกคนใถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้วก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไได้แตะนั้นทุกคนก็อย่าพากันประมาท ให้พึ่งพากันตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกตนไปให้เต็มความสามารถสำรวมตนให้เต็มที่แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้